มกราคม2532แต่ว่าวันนี้ขอทบทวนถอยหลังไปเป็นเรื่องราวของวันที่4มกราคม2532เมื่อวันที่4มกราคมเดินทางกลับมาถึงวัดจากกรุงเทพจากซอยไชยลมมามาถึงวัดเยน็นวาที่3พอตกกลางคืนก็รู้สึกว่าปวดท้องมาก ตอนนี้เวลาเวลานั้นก็เป็นอะไรบ้างยังไม่ขอกล่าวมาถึงคืนวันที่สี่บรรดาแต่พุทธริสัทต์อาการปวดท้องก็ยังมีมากตามปกติเวลานั้นเป็นเวลาประมาณยี่สิบสองนาฬิกาหากายก็เริ่มร้อนหาการปวดท้องก็หนักมีอาการคล้ายเป็นบิดรู้สึกโอจาระแข็งมาก พอไปซอยไสลมมาทุกคราวบรรดาท่านพุทธบริษัทโรคที่มีอยู่ก็ทวีขึ้นสามสี่เท่าเพราะต้องนั่งเครียดทั้งวันเรื่องการพูดแต่ว่าบรรดาท่านผู้รับฟังและผู้เห็นคงจะไม่ทราบผาป่วยเพราะทั้งนี้เพราะว่าต้องใช้คันติจาหนักถ้าถามว่าใช้ได้อย่างไรก็ขอตอบว่าใช้แค่จะเป็นใช้ได้ถ้ามันเกินวิสัยจริงๆก็ร้องเหมือนกัน ก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนกันดูแต่พระอัศจริซึ่งเป็นสาวกรุ่นแรกเขาต้เด็ดปัสสาวะถึัสสาวะเจ้าก่อนที่จะนิพพานที่เขาเปร็รคก่อนที่จะนิพพานที่เนโรคกระเพาะอย่างหนักโรคกระเพาะพอเกิดขึ้นแล้วกับทั้งปวดทั้งเสียดอิดอัดทนไม่ไหวบางท่านคิดในใจว่าเวลานี้เราเสื่อมจากความดีแคแล้วเลย เพียงให้พระไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพัสสเจ้ามาสมเด็จพระบรมศาสนดาเสด็จมาท่านจะลุกจากที่นอนองค์สมเด็จพระจินนวาก็สอนจัดว่าอาศัชชินอนตามนั้นเถิดแต่ท้าคตจะนั่งในที่ที่เขาจัดให้นั่งตามสมควรเวลานั้นท่านสาบถุนองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมัสสะเจ้าว่าเวลานี้ทุกขเวทนาหนักพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าทนไม่ไหว องสมเด็จพระจอมไตรพุมธมัสยชนดาจึงได้มีพติธการทีการแตว่าอาจัาจฉิเชิระงับกายสังระงรับกายสังขารไม่อยู่หรือนั่นจะหมายความว่าชอานาปานุสติกําหนดรู้ลงไม่ใจเข้าออกถ้ากําหนดรู้ลงไม่ใจเขาออ ก, ถ, อออกถ้าจิตเป็นสมาธิาตามท้องคนทุกเวทนาจะใครตัวท่านก็กลา่าวทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนไม่ไหวพระเจ้าข่าระงับไม่อยู่ ท่ยิงกราบเรียนองค์สมเด็จพระบรมครูว่าฟันเตพกวาคาเตองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพุทเจ้าโเจริญพระพุทธเจ้าข่ะความดีที่ข้าพระเจ้าได้มาแล้วควจะสลายตัวไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิธแก่ยิงถามว่าอาสัชิเธอเห็นเธอถือว่าร่างกายเป็นของเธอหรืออาสัชิก็ตอบว่าไม่ใช่เจ้าค่ะท่านถามว่าหรือเธอว่าหรือว่าเธอเห็นว่าเธอเธอมีในร่างกายอาสัชิก็ไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่ ก็รวมความว่าถ้าอาสัชชิยังถือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเ ร, เราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่ออาสัชชิตอบอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระปทิปไต่ก็มีพระวจิตดีกาจัดว่ า, าอาสัชชิความดีของเธอไม่เสี่องความดีจะทรงตนอยู่หลังจากนั้นไม่นานแม่องพระอาสัชชิพบองค์สมเด็จพระองค์โคลแล้วไม่นานก็นิพพานนิรันดร์ท่านพุทธบริษัท ขึ้นที่ว่าขัานติมันก็อยกทนได้ยแค่พอทนไหวเท่าเกินกําลังมาเมื่อไรอาตมาก็เช่นเดียวกับอาสัชชีแต่ถ้่ว่าพระอาสัชิท่านเป็นพระอรหันต์ในสมัยตอนต้นพุทธกาล <c oughs> เป็นพระอรหันต์ที่มีกําลังยิ่งยวดมากเพราะยังไม่มีใครเป็นตัวอย่างไม่มีใครเป็นแบบฉบับพระอรหันต์ ใช้กายไปหลันเวลานั้นจะใช้กําลังใจสูงมากมีความฉลาดมากมีความอดทนมากมีความเข้มแข็งมากอาตมาเองไม่ใช่พระอรหันต์ยพระอัสสชิอาตมาเองก็ยังเป็นพระปกติธรรมดาเนื่งขันติทีาจะทนก็เพียงแค่เอาแค่ทนได้ถ้าไปเกินกําลังก็ทนไม่ไหวถ้ายังทนได้ยุดเพียงใดบรรดาท่านผู้ทวยสัตย์ทั้หลายก็ยังคุยกับบรรดาท่านทั้งหลายได้ ถ้าทนไม่ได้มาอะไรก็นอนคนเดียวเมื่อ น, นั้นอรหันต์ดาท่านพุทธวิสัชน์รายการนี้เป็นรายการธรรมะธรรมะคำวันดาท่านพุทธวิสัชน์ใหมีความเข้าใจในร่างกายเป็นสำคัญมีปรัชนาญาณทุกข้อก็คือร่างกายให้พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายหน้าเบื่อหน่ายร่างกายนี่เราควรจะวางเฉย เพราะว่าคืนไปติดเอาจิตใจติดตมร่างกายคิดว่าร่างกายจะไม่แก่มันก็ต้องแก่ที่ร่างกายจะไม่ป่วยไข้ไม่สมัยมันก็ต้องป่วยที่ร่างกายจะไม่มีทุกขเวทนามันก็ต้องมีทุกถ้ากําลังใจเราฝืนเราก็มีทุกกําลังใจไม่ฝืนก็มันมีทุกยอมรับมันี่ยถ้าความแก่เข้ามาถึงก็ยอมรับความแก่เมื่อความป่วยเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าธรรมดาร่างกายมันจะป่วย เรื่ความตายเเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาของร่างกายมันต้องตาย <c oughs> แล้วก็พยายามหนีร่างกายด้วยการคิดว่าขึ้นชีวิตการเกิดอย่างนี้มีเราชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายต่อไปการเกิดมีร่างกายให้ประกอบไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราจะไม่มีอีกเรื่องนี้ก็จบหยุดกันแค่นี้บรรดาท่านผู้บริสัทธ์ก็ว่าจะจะเบื่อเกินไปต่อไปก็มาคุยกัน <c oughs> เมื่อมันปวดท้องหนักๆก็คิดในใจว่าทุกขเวทนาหนักมากเกือบจะทนไม่ไหวเวลานั้นก็นอนอยู่คนเดียวตาปกตินี่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้เพราะว่าการอยู่ใกล้ก็ไม่เกิดประโยชน์จะทําให้คนอยู่ใกล้ม่ได้ความทุกขความเดือดร้อนนอยก็ไม่ลงเพราะทุกขเวทนามันมีทุกวันทุกคืน ยังรวบรวมกำลังใจเท่าที่จะเพิ่งทำได้คิดว่าเราไปหาหลงกงนดีกว่าไปถามท่านลงดูที่แล้วว่ามันจะตายแล้วอยัง <c oughs> ถ้ามันจะตายก็เตรียมตัวตายตั้งป้อมไว้แต่ก่อนที่จะไปหารลวงก็ท่าต้องใช้สังขารปุปเกขาญาณ กำลังใจถึงที่สุดเท่าที่พึงทําได้ซึ่งคือทังขารถเปรยขายานี่มีหลายระดับตำดาแากพุทบริษัทขันชานโลกีก็มีสังขารรเปรยขายานพระโสดาคีอทาคานาคารันก็มีสังขารรเปรยข้ายานด้วยการวางเฉยได้สังขารเป็นไปตามขั้นของกำลังใจไม่แช่ว่าจะมีเฉพาะพระอรหันต์อย่างเดียวเมื่อมีกําลังใจดีพอทสงควรจิตว่างจากอารมณ์อื่น ไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกอารมณ์เป็นสุขเพราะเขาอาศัยอนนาปานุติเป็นพื้นฐานกร็รวบรวมกำลังใจไปแดนที่สดุดทา้งเพิ่งไปได้ก่อนเข้าไปนั่งอยู่ที่บ้านและที่วิมานหลังนั้นว่ากันตรงไปตรงมาดีกว่ายังไงยังไงใครก็รู้ว่าสอนคนมามากแล้วก็ไปแปลกใจวิมานมันสวยสดดงาม ก, ก, ก, กว่าเดิม เรงประดับปรดาก็มีมากที่นั่งที่นอนก็ดีกว่าเก่าเยอะแผ่วตาไป็นยับก่อนก็แผ่วพาอยู่แล้วตอนนี้มันสวยกว่ามากทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นมามากพอไปถึงดินแดนนั้นก็มีจิตใจชุ่มชืน่นพอนั่งเรียบร้อยก็ไปกล่าท่านพ่อท่านแม่ชาติอดีตที่ท่านไปนิพพานแล้วบั่งยังไม่ไปนิพพานบ้างท่านไปเยี่ยมกันมากมายนับกันไม่ได้ ท่านมาถึงได้ประกาศตัวว่าท่านเป็นพ่อชาตินั้นแม่ชาตินี้แต่ละคนก็ประกาศด้สักอารมณ์ใจก็สดชืน่นถ้าต่อมาพ่อแม่ของเด็กบรรดาแม่ของเด็กก็มาเยี่ยมกันหลังจากนั้นกัะปราอดบอกปลากระบองค์สมเด็จพระก็กวันที่นิพพานไปแล้วยี่สิแปดองค์ไอีแปดสิบสี่องค์ท่านก็มาเยี่ยมท่านบอกว่าคุณร่างกายยังไม่ถึงเวลาจะตาย ควรยับยั้งกําลังใจไว้ก่อนสถานที่นี้จะมาได้แน่นอนแต่เวลาจะมายังไม่ควรจะมาอยู่ช่วยกันก่อนเมื่อกลับทุนท่านบอกว่าขันห้ามันจะทนไม่ไหวพเพี้ยงค่ะแม่กระต่า ว, ว่าทุกเวทนายังไม่ไม่ถึงขั้นอัาาตถะสัชชีถ้าสัชชิท่านเป็นมากกว่านี้เธอยังมีกําลังน้อยกว่า พยายามรักษาใช้า ย, ยาปกติที่มีอยู่ที่หมอให้ต่อไปร่างกา ย, ยจะเปลี่ยนจะโปล่ขึ้นในวันพรุ่งนี้จะคลายตัวมากกว่านี้ในวันมะรืนนี้จะดีขึ้นมากขีกหน่อยต่อไปร่างกายจะโปร่ว่าอยู่ที่นั่นพร้อที่สบายใจท่านบอกว่าเธอกลับได้ยังไม่ควรจะคิดว่าจะอยู่เลยก็กลับลาท้งกลับลาพ่อลาแม่กลับหมด เมื่อกลับมาถึงที่ล้วก็คิดในใจพอทรงอารมณ์ได้ก็ตั้งใจคิดว่าประดี๋ยวเราจะไปหา ล, ง <c oughs> ลวงก็ลุกจากที่นอนออกจากสถานที่จะไปหาท่านลงแต่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังอุปสักย่อมเป็นอุปสักเป็นของธรรมดาธรรมดาค <c oughs> คำอุปสักธรรมดาธุาพุทธบริษัทหลายโดยโทัวหน้าต้องเตรียมพร้อมไปก่อน ว่าการจะไปไหนก็ดีการจะทำงานทุกอย่างก็ดีต้องคิดที่อุปสรรคก่อนแม้แต่การประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องคิดทีออ่อุปสรรคก่อนอุปสรรคก็ต้องมีกับคนทุกคนพอเคลื่อนจากที่ก็ปรากฏว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งผิวขาวรูปร่างเพียวอายุประมาณเจ็ดสิบปีอายุเนี่ยขอประมาณ <c oughs> เธอนั่งขวางทางลีกทั้งซ้ายเธอก็ขวางลีกทั้งขวาเธอก็ขวางเดินตรงเธอก็ขวางก็ถามเธอว่าเธอจองวินจองกรรมอะไรกับฉันทำไมยังขวางทางเดินของฉันที่ฉันจะไปหาลุงถ้าเธอมาขวางทําไมเธอก็ยิ้มบอกว่าไอ้ที่เธอขวางเนี่ยฉันยังไม่ต้องการให้ไปหาลงุงเอาสิไมล่ละ อย่านึกว่าพระนี่เก่งกว่าผีผีเก่งกว่าพระก็ถามได้ว่าเธอต้องการอะไรเธอตอบว่าตามฉันมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นําหน้าฉันตามไปก็ไม่ทราบว่าเธอจะพาไปไหนเธอก็พาเดินลวยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือชันขึ้นไปชันขึ้นไปปรากฏว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนแหงเขาพระสุมเมรี เป็นทางที่ราบเรื่อนสวยสดกวงามมากขึ้นไม่เลนื่อยอไปถึงยอดเขาสุเมฆก็แปลกด้วยไปถึงท่านปัญญาสิขาธทพบุตรที่น ท, ที่รวมใกล้บรรดุคมพูศสีลาอัจไปถึงเธอก็นั่งอาตมาผู้พูดก็นั่งก็อยากจะทราบว่าเธอฟ้องอะไรหรือเปล่าถ้าคิดว่าไปหาพิพ า, าสสาสวรรค์ท่นเอาดึงเธออาจจะฟ้อง นั่งอยู่แล้วก็ถามท่านปัญจสิกขาที่พูดว่าหญิงคนนี้คือใครท่านก็ตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคนที่ซอยสายลมว่าเธอตายไปแล้วเธอไปไหนเล้วท่านเองท่านก็ตอบสั้นๆว่าคิดว่าเธอมีความสุขเพราะว่าคนคนนี้ทาบุญไว้มากเวลาใกล้จะาตาย เวลานั้นภาพเวลาก็ถามภาพเกิดกับคุณว่าหญิงคนนี้ถวายภาพไรหญิงคนนี้เคยสร้างพระพุทธรูปถวายในพุทธศาสนาแต่ความจริงบุญของเธอไม่ได้ทำแค่นั้นเธอทำไม่มากกว่านั้นเป็นคนใจบุญเรื่องบาปเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีบาปแต่ก็เธอก็เป็นคนใจบุญหนะัก ไม่เคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารกับพระเคยถวายสังฆทานเป็นของแห้งเคยทําบุญบทพระเคยทําบุญท่อกับถิ่นจิตใจของเธอจริงๆจับจด ท, ท, ที่พอาไตรข้าวตระตูลกจึงหันมาถามเธอว่ามีความจริงเป็นอย่างนั้นไหมเธอก็ตอบว่าเป็นความจริงถามเธอว่าบ้านอยู่ทิศไหนเธอก็ยิ้มยิ้ม เท่ก็บอกว่าเวลาที่คนเขาถามปัญหาเขาบอกบ้านแล้วมีเจ้าค่ะเขาบอกจังหวัดอยู่แล้ว เ, เลยถามเธอว่าบ น, บนบนสวรรค์ช่านดาวดึงะผู้หญิงแก่แบบที่มีเขาด้วยรือนางฟ้าก็ดีเทวาดาก็ดีทมกคดีที่มีรูปร่างแก่แล้วไม่มีเทอก็ตอบว่าเท่าที่เห็นแก่จะได้ทราบว่าคันเมื่อตายอายุเท่าไหร่ถ้าถามถึงอาการตายของเธอ เธอบอกว่ามีอาการมีการร้อนในท้องให้การแน่นในหน้าอกนิดไม่มากมนักต่อมาที่สะก็หมดความร้อนถึงที่สะตาก็กล้าเวลานั้นจิตใจของเธอไม่ในนึกอะไรมากนึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรานับถีพระพุทธเจ้าเราเคยสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักเก้านิ้ว ที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> นอกจากนั้นก็จะไหวสังทานเป็นวัตโธระปาษขนาดห้านิ้วบ้างสี่นิ้วบ้างเคยจะไหวสังทานที่เป็นวัตถุแห้งเยอะมีภาพไรเเคยจะไหวสังทานที่เป็นอาหารก็เยอะภาพทั้งหมดก็ปลายกักกบเธอถ้าเวลานั้นก็ปลายก็มีภาพแมวกับภาพสุนัขเกิดขึ้น เจ้าแมวเราจะสนับนี่เป็นภาพเดือเธอเลี้ยงเธอเลี้ยงไว้ให้ความเมตตาปราณีเจ้าแมวจะสนับ ก, กับมนมาหนอบหมอบทุกข้า ง, างๆจิตเธอก็มีความรักอาศัยภาพตัางๆเห ล, าล่านี้ปรากฏเธอบอกว่าทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไป่เกาะภาพประตูรูปบ้างจิตไปเกาะ่าพใจสรรการถวายทานบ้าง เกาภาพก็แมบบ้างก็เลยไม่รู้ทุกขเวทนาเวลานั้นปลายออารมณ์เป็นสุขแล้วต่อมาก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสเสด็จมาใสาสะอาดมากแสงสว่างยิ้มแย้มแจ่มใสทรงแยบโรดน่ารักกำลังสวยดินที่ปากแดงผิวขาวค่อนของเหลืองพวกร่างรสนะโปร่งสวยมากจิตใจเธอก็จับพระพุทธเจ้า ถ้าปล่อยโกรภายหลังต่อมาพิจัยพระกรเห็นเทวดากำนางฟ้ามากเทวดากำนางฟ้ามีความสดสดประกามมากมีเทวดากำนางฟ้าก็ร่องชวนเธอว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถิดฉันอยู่สวรรค์ชันดาวดิง่งแต่ว่าเท่าที่ปล่อยเวลานั้นเฉพาะเทวดากำนางฟ้าบทสอนชันดาวดิ่งเท่านั้นเธอก็จิตติดใจในนางฟ้า ในที่สุดปิตออกจากร่างรูปร่างหน้าตาก็เป็นนางฟ้าสวยสดงามเมื่อเธอพูดจบก็กลายคนร่างกายแก่หายไป <c oughs> มีร่างกายสดใสเป็นนางฟ้าสวยสดงามแปลว่ายับสวยมากเมื่อถามว่าเท่าที่บอกให้มาให้ตามมา น, นี่ต้องการจะรู้อะไรคือก็ตอบว่าอยากจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าเรื่องราวจริงๆที่ท่านตอบเขาวันนั้นยังตอบน้อยไป ก็เลยบอกว่าฉันก็กำลังป่วยมากและก็เหนื่อยมากคอก็แห้งเสียงไม่ออกความคิดอะไรไม่ออกเห็นภาพแค่ชัดแค่พระพุทรูปกับกระเพาไตรลอยู่ข้างหน้าเธอเธอก็บอกว่าต้องการในทราบตั้นี้ยังถามเธอแต่ว่าต้องการอะไรอีกเธอก็อดเธอก็อยากเธอถามเธอถามว่าอยากจะดูวิมานเช่นไหมก็ตอบเธอว่าอยากจะดู ถ้ถามว่าวิมานเธอได้มาจากอะไรเธอก็ตอบ ว, ว่าสังฆทานถังที่ถวายท่านท่านแบ่งไว้เป็นสองอย่างคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตังที่ถวายร่วมสตังที่ถวายร่วมนั้นท่านไปใช้เป็นสังฆทานบ้างสร้างวิหาราทานบ้างสร้างวัตถปบ้างฉะนั้นอาศัยที่เงินของฉันมีส่วนวิหารฐานฉันยิ่งมีวิมาน ถามว่าวิมานเขาเธออยู่ที่ไหนเวลานั้นก็ปรากฏว่วิมานลอยมาเป็นวิมานทองคําแต่ว่าบนยอดเป็นแก้วพื้นของวิมานเป็นทองคําสวยสดก็งามมากมีนางฟ้าประ จ, จํอยูสามพันคนนางฟ้าก็สวยสดงามบรรดา น, นางฟ้าทั้งหลายตัวเองเข้าถึงก็ลงมาไหว้ก็ถามเธอบอกว่าวิมานเขาเธอเป็นทองคํา ก็าอาศัยบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยบุญวิหารทานบ้างสังฆทานบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างก็ <c oughs> มีวิหารทานเป็นบัจจัยแต่กําลังใจต่ําไปนิสต ว, วิมานทองคำทาว่ายอดที่ไม้ของเทมันแปลกแทนนี่เป็นทองคําอย่างวิมานอื่นก็กลับกลายเป็นแก้วแหวนสาบยับเธอก็ตอบว่าที่เป็นแก้วน่ะฉันชอบใจมโนกแก้ว <c oughs> ไปที่ไรฉันชอบใจเพระยอดมณดกเบื้องบนของมนฑกท่านแหลงคางขงงไปนี่ชอบแต่ว่าความสนใจในตัวใครของมนฑปสนใจน้อยไปถ้าเข้าไปที่นั่นเป็นพระที่ไหนก็มีจิตชุ่มชื่นคิดว่าพระองค์สิบบัง่บงสิบเอ็ดบ้างนี้เป็นต้นฉันก็พอใจพระทุกองจิติท่าติดใจในพระตายมาแล้วก็ได้วิมาณอย่างนี้ ก็ถามเธอบอกว่านอกจากนี้เธอมีอะไรอีกไหมเธอก็ตอบว่าท่านจะไปเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หกอยากจะฝากฝากไปถึงลูกเถึงหลานว่าถ้าท่านเขียนหนังสือท่านลูกหลานก็จะทราบบอกเชื่อว่าฉันเป็นหญิงชาติเชื้อชาติจีนนั่นก็หมายความว่าพ่อก็เจ็กแม่ก็จีนเป็นเจ็กทั้งพ่อทั้งจีน ทั้งพ่อทั้งแม่การเกิดมาในตดโกนของจีนว่าแต่ว่าอยู่ในเขตพุทธศาสนามีศรัทธาในพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กชอบการให้ทานเรื่องความโกรธความไม่ชอบใจก็มีบ้างเป็นของธรรมดาแล้วในการเรียนสองสิ่งก็รักษาบ้างตอนเด็กๆ ก, ก็ไ ป, ปไปวัดกับแม่ รัษาศิลบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เป็นบนุญแม่ให้ใส่บาตก็ใส่บาตรบา้างทั้งท่านี่ไม่รู้เรื่องว่าใส่บาตรในสงอย่างไงก็ได้บุญเวลาพระเทศก็ต่างใจฟังพระเทศบ้างต่างใจฟังบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างถึงแ ม, ไม้ไม่เคยสมบุ์แบบก็ได้บุญแล้วต่อมากระชอบในการถวายสังฆทานสังฆทานนี่ชอบมาก การเลี้ยงพระก็ชอบเลี้ยงพระก็เป็นสังฆทานสังฆทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุดคือสังฆทานที่มีพระพุทธรูปมีผ้าใยแล้วมีอาหารแห้งโดยเพราะอย่างยิ่งผ้าใยติดตาติดใจมากกับพุทธรูปต่อมาถวายเมื่อขณะตอนต้นถวายพุทธรูปองค์เล็กๆจิตใจก็ไม่ชุมชื่นก็อยากอยากได้องค์ใหญ่ๆก็เลยทำบุญด้พุทธรูปนาตาก้าวหว เพราะในโลกเขาถือเลขเ ก, ก้ากันอะไรอะไรก็เลขเ ก, ก้าอะไรอะไรก็เลขเ ก, ก้าแต่ความพียงเลขเก้าไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความหมายเด่นไปกว่านั้นถ้าว่าฉันฉลาดพอฉันจะใช้พระสิบสองนิ้ว <c oughs> ถ้าสิบสองนิ้วเป็นชั้นราจะดีมากว่าสวย ส, สดก็งามมากแต่ที่บัง เ, เอิญคนข้างๆบ้านบ้างพเพื่อนกันบ้างลกูกหลานบ้างเขาบอกเก้าดีเก้าดีเก้าหน้าเก่าหลัง แต่ความจริงก้าวหน้าก้าวหลังนี่มันไปไม่ไกลก้าวหน้าไปหนึ่งก้าวถอยหลังนี 9, 9, ่ก้าวก้าเท่าไรก็อยู่แค่นั้นรวมความมาทาก็น่าจะไปสูงกว่านี้แต่กำลังใจก็ดีไม่สมบูรณ์แบบก็อยากจะแนะนำให้ลกหูกหลานขึ้นที่ว่าบาปทำกันแล้วก็พอกันทีถ้าพยายามทรงตัวความดีสร้างอย่างน้อยจิตใจตั้งในทาน ที่ประธานการให้จะมีในเราจะนี้อย่างหนึ่งในการในสองศีลรักษาทุกวันไม่ได้รักษาบ้างเป็น ป, ประจำวันในการในสางกิจที่ฉันทคือฉันบูชาพระฉานทุกวันตอนหัวค่ำก็บูชาพระตอนเชา้าตื่นฉัก็บูชาพระฉันไม่มีเวลาภาวนา ม, มากอย่างเขาแต่อาศาัยการบูชาพระเป็นกําลังใจภาพของฉันติด จิตใจในภาพพระพุตธรูปมากดังนั้นเวลาจะตายภาพพรุทธรูปจึะปรากฏแต่จนในที่สุดมีพระเจ้ามานี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ตากว่าท่านไปพบลูกพบหลานฉันบอกตัวว่าฉันมีความสุขถามเธอว่าชื่ออะไรเธอก็ยิ้มเธอตอบว่าฉันไม่บอกพราเขาบอกชื่อท่านแล้วที่สอยสายลม <c oughs> ก็รู้ความเมื่อเธอไม่บอกก็ไม่รู้รู้ก็ไม่พูดถ้าเธอไม่บอกเวลานี้เธอแสดงว่าเธอเธอปกปิดชื่อของเธอเธอก็บอกว่าใช่ฉันปกปิดชื่อของฉันพอชื่อของฉันนี่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีถ้าท่านไปพูดว่าฉันมีความสุขคนที่เกลียดฉันเขาก็จะดา่าเขาจะหาว่ามีความสุขไม่จริงทั้งนั้เมื่อเขาด่าฉัน คำดา่าคำสา์แช่งมันไม่ถึงฉันไม่จะถึงเขาจิตใจเขาจะสมองจะเพิ่มบาปขึ้นมาอีกแค่จงจะบอกชื่อเลยก็แล้วกันกโรงความว่าวันนี้เลยไม่ได้ชื่อเลยไม่ได้ไปหาลงกั น, บ, นบรรดาท่านพุทธไวสัตต์ต่อมาก็อาจมาคุยกับท่านปัญจสิกขาที่ประตถามว่าหญิงคนนี้ตามบัญชีของท่านมีบุญวาสนาบารมีท่าไหน ท่านปัญจสิกขาถามว่าท่านถามหมายท่านนี้ผ่านใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ท่านก็ตอบว่ายังกําลังบารมียังอ่อนอยู่ <c oughs> ยังจะไปนิพพานไม่ได้ท่านนี้เว้นแต่ว่าถ้าเธอมาอยู่บนสวรรค์แล้วตั้งใจปรปินความดีเพื่อนิพพานต่อไปอาจจะไปได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่กับเจ้าเทวดาและพรมจักรยากรเป็นหน้าที่พระองค์สมเด็จพระจินนวรจักรยากรแต่พระองค์เดียว แต่ถึงกะไรก็ดีถ้าเธอทำความดีความดีก็จะช่วยเธอขอรบบรนดาทา่านผทธบริษัทในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีดีก็ขอเตือนบรรดาทา่านผู้บริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะเอาเรื่องราวต่างๆมาคุยสุขกำฟังให้เพื่อสร้างความเพลินขวัรดาทา่านผู้บริษัททั้งหลายต้องอาศัยความดีสประการไว้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์ทึ่งออกันเยกันสองพูดไพเราะใช้วาจาดีๆ สารช่วยเหลือกันงานซึ่งรายการสีไม่พีตัวคุณธรรมสี่ราการนี้บรรดาแทนพุทบริษัทจะเป็นปันจจัยทั้งหลายมีความสุขความรักกันอธิบรรดาแทนพุทบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณฑลจงมีแต่บรรดาแทนพุทธศาสนิช น, นผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี